แสดงไว้ว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกหรือธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธบุศรศาสตร์เรามึกยิเลตัวสำคัญมันปิด มันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเรื่องหมดหวังแล้วแล้วกี่เหลียตัวใดและธรรมะประเภทใด ท, ที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสินคี ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลแเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไข่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยับยิบแยับจากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตันให้ ถึงกับสุดเอื้อมหมดหวังกระจ่างออกมาบ้างมันก็พอตะเกียบตะกายคนเราเวลานี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเราไม่นับเข้าในวงคำว่ามรรคผลนิพพานสุดเอื่อมหมดหวังหรือโรกุตตรธรรมนี้สุดเอื่อมหมดหวัง เราพูดเฉพเพวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้องหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเองโดยที่ตนก็ถือพุทธศาสนาปฏิบัติ ธ, ธรรมว่าพระปวดมนให้ทานรักษาศินอยู่นั่นแหละนี่มีจำนวนมากต่อมากทีเดียว ใครจะไปทราบว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือกำแพงอันหนาแน่นกำแพงคือกิเลสอันหนาแน่นมันปิดกั้นเอาไว้เราไม่มีทางทราบและไม่คิดเลยว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาปิดกัน้นแต่จะเข้าใจหรือเป็นความรู้สึกว่าเป็นของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองคิดขึ้นมาเท่านั้นหาได้ทราบไหมว่ามีอะไรหนุนให้คิดเช่นนั้น มีอะไรปิดกั้นไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้ละ่ะทิวัดี่เด็ดมันละเอียดมันจะสดแสดงออกยาปลนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเราหรือโลกุตลธรรมอันนี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเราเลย จึง ท, ทำให้สุดเอื้อมหมดหวังกันหนาแนนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่อยู่ในความเอื้อมความหวังหรือไม่หวังก็ตามมันก็จมอยู่ด้วยกันแล้วกับกี่เหล็กประเภทนี้ถ้าอยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละให้เอาจิตใจ ประชิดติดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าโดยลำดับอย่าได้ห่างเหินจากความเพียรที่เป็นทางดำเนินเพื่อความแทงทะลุม่านอันหนาแน่นของกิเลสคือความตุ้เือมหมดหวังนี้ให้กระจายตัวไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะไม่สุกดดีิส ของสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้คือใจใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจริงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกัน้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังหรือในเรือนจำนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำ ให้จิตอยู่ในวงจํากัดแห่งอํานาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคําว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสกิเลส จ, จึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นอืเริ่มจากสมาธิปัญญาเหล่านี้นเป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกําแพงของกิเลสกิเลส จ, จึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกําแพงคือความดําความมืดตื้ ความสุดเตือมหมดหวังนี้มาให้ใจนี้มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมกวต่างาปัญญาธรรมกวต่างามิมุติธรรมกวต่างถา้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้ว เพราะจะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้เป็นจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหือเร็ดอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้ จะมองเห็นได้ในธรรมที่ล่าวนี้พอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภากเพียรอุสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตให้มีความขยันหมั่นเพียร ทันงการประกอบประโยคพยายามในแง่คิดแง่อดแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มจนันทจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจินในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆก็จางไปเรื่อยๆแล้วผ่านกําแพงอันหนาแน่นของดิเลกไปได้เรื่อยๆจนกระทั่ง โดดข้ามไปเลยรึพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตระรมอยู่ที่ไหนทีน่นี้ไม่ถามพอพ้นจากกำแพงปัจจุ น, นันมันก็เริ่มเห็นกระแสะแห่งโลกุตระแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพัสกิธาพระอนาคาเป็นลำดับไปเจนกระทั่งถึงพระราช มีกระแสปณิพนันภาค พ, พิมแล้วทันว่าอย่างนั้นโสตะก็แปลกระแสรกระแสธรรมชาวพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็นอุปสรรคทําลายคนอื่นได้ด้วยด้วยความรู้ความเห็น ที่เป็นค่าสึกต่อสาสาธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่มามรรคผลยิพัผานยิงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดเช่นนั้นนอกจากจะสร้างแต่ อำแพงอันหนาแน่นกั้นจิตใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสะแห่งธรรมแต่อย่างไรมีการกล่าวทั้งหมดนี้ เราทั้งหายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทาเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเอื้อมความหวังของผู้ประฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทาเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีต ไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจจะธรรมที่ประกาศกังวานอยู่ภายในตัวของเรานี้นี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตาสิ่งที่รบกุมรังทั้งหลายได้แจ่ความทุกหรือทุกข์สัตย์ได้แจ่สมุทัยสัตว มีกา ร, รมติหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเป็นต้นให้พังทลายออกจับนี้ด้วยมกักคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้ เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยเฉยไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความตัดความจริงออกได้ การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะดำเนินตนให้เข้าถึงความจริงหายสงสัยไปได้โดยลําดับเรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามมันเป็นภาพความจําทั้งสงิไม่ใช่ภาพปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไรยิ่งปลูกมัดตัวเองสั่งสมกิเลสแต่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้น อันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเต็มปากเองถ้าไม่สนใจต่ อ, อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทมแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้โดยความจำเพราะฉะนั้น จึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มาผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสยัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิปฏิบัติ อันสืบเนื่องมาจากประยัดคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทําของเราเราดูแผนที่การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดจุดนั้น ก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรค น, นิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนถังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นนั้นการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติ ท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวาขาตธรรมตรัดไว้ชอบไม่มีอะไรบุกร้องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไว้ชอบในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทาง ที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้จุดตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิปไวช้ไวชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปต่างไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พินิจพิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้ว เือได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่ายจากธรรมทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทําให้ยากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางกิเลสเป็นผู้รั้งเอาไว้ไม่ให้ก้าวนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสกระซิบอยู่อย่างลึกลับเหมือนกับว่า ใต้สํานักดังที่เขานิยมพูดกันว่าการบําเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่นกิเลสนั่นแหละมันกัจจิภพว่ายากให้เกิดความบินหนาละอาใจต่อการดําเนินความบินหนาละใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่สราธรรมท่านไม่ได้สร้างความบิหนาละใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ทำไม่ทําความทุกข์ให้แก่ผู้ใดในทาความเดือดร้อนไม่ได้กีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กีดขี้ขวางที่ปักเสียบฝากน้ําเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดําเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสําคัญมา ขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันเลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้พูดคุยขึ้นมาตามลำดับลำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นราโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความศุกของธรรม ไปโดยลําดับตาดาพระพุเทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือทําได้จากความปิ่นล้นล้วนคือภายในใจิตใจท่านแสดงออกมาทําทุกประเภทที่ออกมาเป็นาศาสนาธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้ว ภายในพระไถยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ในบทใดยึงไม่ผิดจากความจริงเต็มประเวความจริงเต็มประเจความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจามานั้นจําด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบ ทาบแต่เพียงว่าเราเรียนทมคำว่าทมนั้นประถูกิเลสแทะเข้าไปอีกให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความําคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญาติวียิ่งมีขั้นมีภูมิมให้สอบด้วยแล้วก็ยิ่งขั้นนี้ภูมนินี้ได้ภู ม, สมิสูงภูมินั้นได้สูงขึ้นไปโดยลดับบมันสูงภูมิของกิเลสมันไม่ใช่สูงภูมิอัดภูมิัำ คือความสําคัญมันหมายว่าตนู้ตนฉลาดดึกซึงได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละที่เป็นภูมิของกิเลสมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิจจทใจภายในตัวจึงเกิดความภาคภูมิใจคนเอาว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในขั้งจุติกาลที่เรียนจบพัะไตรปิฎกเกิด ตามเยอ่หญิ่งจองของะนองตกพระลำพองตกว่าตนรู้หลักและลรู้หลักนับนับปรารในขณะเดียวกันก็ตำหนิตีเกียนพระทุดงท่านที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมซึ่งอยู่ตามป่าตามเขาดังที่เห็นแล้วในตำราจะไปซักไปถามไปไล่เบี้ยท่าน ต, ต่างๆนานา พอเห็นว่าท่านง่แขลเบอปัญญาไม่ชาเหมือนตนซึ่งแบบที่เียดไปไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเรงรีบเสด็จมาในที่ชุมนุมนั้นยังไม่ให้เรื่องทั้งหลายเกิดลูกลามพระด่านั้นจะตกนรกทั้งเป็นไปท้าต่อยให้เกิดพระองค์ เมื่อเสด็จมาถึงก่ตั้งปัญหาถามตู้พระไกรปีฎกที่ยกตนมาเป็นเอื้อมหลักนักปรารถ น, นแหละไม่มีตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชถนไมลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติ จิตตภรนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคำผีโดยการจดจำเฉยเฉยมันเป็นประเภทโบรานตอา่อเปล่าโดยลำดับลำดา ตังนี้เป็นตนคนเราถ้าไม่ท่านนองตนว่ารู้วาชนะจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวของเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้วถ้าเป็นรู้โดยอัดรู้โดยทมจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่น ถ้าเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทําให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดพูดกระแทกแบบตันให้เขากระเทือนคนอื่นเลย นี่แนหะระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรผล น, ผนิพพานการที่จะคาดเรื่องธรรมทั้งหลายด้วยความจดความจำความเลียนความเรียนยนี้มามากน้อยนั้นจังไม่มีทางสุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริง ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเที่ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปคาดต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไงว้มาสันทิพิโกปะจจตังเมดิตัปโวยิงยูหิตนี่ไม่มีที่คานจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติ ก็รมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุกินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ทมที่แท้กินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นที่จะไปสอบแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัดของธทมเพื่อสัมผัสอัดทมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตการนั้นจึงไม่มีทางเจอเพราะทำไม่ใช่วัตถุแร่แร่ธาตุต่าง ในสามแดนลกูกฐานนี้จะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนลกูกถานนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งหมวลว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ทำแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพษษษระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนผงังเอาจําให้แม่นยำ วิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจําวิธีการเอาไว้นี่ปฏิบาติให้ดําเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอง็งอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจารองเข้ามาแทรกแซง จ, จิตใจดังที่กล่าวเมื่อสกูลนี้ว่าเพราะว่าของเกียรติมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวรรค์ธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดําเนินไป อยงที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเตื้สาลงมานะะักขาต่างๆตัดจจนี่ทําขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจำปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้งห้าและอวัยวะทั้งหมดนี้ทําเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจำปลอมทั้งหลายตรงนี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนีม่ให้จําตรงนี้เอาไว้ แล้วพิจารณาตามหลักที่ภพุทธิยถาทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงไอ้กิเลสมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั้นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทางัหนนั้นหาอันไหนงามเอาหลักความจริงไปจับค่ะระหว่างกิเลกกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดชัดกเส ผมแต่และเส้นในเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็หรูผมเท่านั้นมันเอาอะไรบา ง, งามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุโพโลโหิตซึ่งสังพูกเข้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นแลบก็เกิดขึ้นจากขินสกปรตกสองโมง แล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายมาาไม่พับไม่พับไม่พรากไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังตาไปได้อย่างไรนี่นี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของเวทีจักที่ว่าสวขคาธาทำกําหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจรารณาเล่า ท, ทํสาซ้ซากซากยา ก, กาหนดสถานที่การร่เวลาตลอดถึง เที่ยวกี่เที่ยวกี่ตลอดขั้วไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทํางานทําอยู่ที่นี่ไม่จะทําที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทําแบบเดียวกันนี้อ่ะเจสาลุมานคาตันตาตั้งามที่ตรงไหนคําว่างามมันได้มาจากไหนมีแต่ลมๆแล้งๆมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่งามและเต็มตัวนะ่ะ เห็นกันอย่างชัดเดจนตาโตหนังผิวบางที่หุห้มห่อรอกบุรุษตาฟางไว้เท่านั้นอย่างพวกเราเราทานทันเชื่อกันอย่างจงความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยที่ที่เหน่อยที่ใครเต็มไปหมดเยื่อออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิกูลโสโคร ซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องชาต้องล้างไม่ชาไม่ล้างไม่ได้ทรงปินเขา้าฟุ้งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนอื่นถ้าตั้งใจจะดูความปิณมันก็เห็นรู้ทั้งปิน่นเห็นทั้งตัวจริงของมันทราบซึ้งด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริงของมันที่ประกาศนิสัยออกมาให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลา น, นี่ยการปฏิบัติ การเรียนก็คือเรียนตามอุปชาอยะมาแล้วแล้วเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันถ้าปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเบื่อความจริงเดินอย่างนี้อย่าเอาแต่ความจานั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายชีหน่าให้กิเลสหัวเราเปล่าเปล่าตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจม เนี่ยทวารเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเลยเลยด้วยความําคัญมันหมายา ต, ตั้งตั้งจิตวัดตนรู้ตนตะละมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแต่งของจิเหล็กแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงจริงกําหน ด, ดดูดทั่ว อ, อ, อวัยวะมันมีอะไรถ้าปฏิบัติค้นคว้าคิดค้นตลกทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนเอาคําจริงที่ท่านว่าปฏิกูลโสโครกนี้เป็นภาค พ, พื้นแห่การพิจารณา ในทาขันนี้ซึ่งมันคอยจะจะยิดจะถือเอาความสวยความงามซึ่งมีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไม่ใด้อยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลาดับตานาไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจรงิงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจรงิงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปติกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทัองตนไปโดนเอาพิษถ้ามันก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อ ความโง่เขลาบัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันนี่นระาจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดนนอกจากคนตา บ, บอดหรือคนเชื่อเสือส า, าจะโดนก็ะเยียบ คนมีสติปัญญามีตาดีไม่ไม่โดนไม่เหยียบเมีเรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นหลงดําเนินภาคปฏิบัตินี้ให้แม่นยําเพื่อจะเปิดสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลําดับลํานาทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายมีจะนับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลําดับลำํำนาความเชื่อความ ประสาทความเชื่อความเลื่อมใสความโภกพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะ ก, กลมคืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้กานเห็นอันนี้ทำจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยสร้างหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักอึ้งมาก็เบาเย็นสบายมีความสมาจิตากฏขึ้นเพียงคันนี้เราจะหากวัติผุ สิ่งใดแรกธาตุอันใดถึงจะเจอเราจะไปเทียบเทียมกั บ, ทบเทียบเคียงกับวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่าธาตุต่างๆเหล่านัา้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเทียงแต่สมถะธรรมเท่านั้น ก็หาอะไรมาเทียบเสียงมอะไรแล้วแต่เราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้อย่างไงว่าทําอันนี้ไม่หนีหนักมีอยู่กับหัวใจนี่แต่ความมันให้เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสนี่ถ้ากิเลสมั ด, มดไว้มดัดไว้จะทําที่ไหนจะอาจยังเข้มาสัมผัสกิเลสมันปิดป้องไว้หมดนไงเมื่อใน ดำเนินตามสอจขาธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยเหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้แล้วทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศทพาทาอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทุกท่านทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็ น, หนอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสมันออยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลยนีพยัญชนะสมารถ ก็หาอะไรมาเทียบเทียมไมาเหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี่แอย่า่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเทียบเทียมว่าอันนั้นแช่นี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถตธรรมคือความสงบใจ <c oughs> นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันมีมันอยู่กับใจอะมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธก็ไม่ได้ประจักษ์กับใจปฏิเสธได้อย่างไร นี่เพียงขั้นนี้ครับเอาที่นี้ส ง, งบละเอียดลงไปเท่าไรก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเรียมว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้นี <c oughs> ่เพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม่ร่างกายทุกส่วนของเรานี่ตาหูสมุกเลี้งการก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้น แต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสกิจตั้งหากเป็นภาชนะสําหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งรธรรมสาหรับสังสมทั้งกิเลสทังสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนํามาใช้ให้ได้สังสมในทางใดเท่านั้นมี่เทียบในบางคันน้นี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะออืนั่นไม่มีอะไรเหมือน คำว่าสติคำวมปัญญาก็ไม่มีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทํางานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขขุมความปีลาภาพเป็นความคลั่งตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นอมตะจันเราจะหาอะไรมาเทียบแต่หาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี่แล้วทายเพียงตอนนี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไร สิ่งไรก็ไม่เหมือนสิ่งไรก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับไใจอยู่กับเราเวลางนี้นที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่นี่เราเราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆให้มีทางสงสัย พระพุทธเจ้าปริบัติผ่านานานตั้งแต่ไหนก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมุดทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าทำแท้ทำแท้นั้นจะปรากฏขึ้นติดใจของเราผู้ปฏิบัตินี่เลยและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันทุกๆทุก ๆ, ๆองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนั่นเะพาธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การเป็ฐานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นกระทำทั้งดว ง, น, น, น, ทท ง, ดวงนี่ทำทั้งดวง เข้ากันได้อย่างสนิทเนีย่ยเราพูดถึงถ้ำขัข้นหนังธรรมเป็นขั้นขั้นก็มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้ราบราบเป็นผู้สัมผัสน้ำผันเป็นผู้ส่งไว้เป็นผู้ยืนหยัด อาละเอียดเข้าไปขนาดไหน ก, ก็เป็นอย่างทำนองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า <c oughs> ใจกับธรรมมีวิสุทธะที่ธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันประเสริฐกรมคืนเปน็นเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจน ผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเราจะไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้นี่เหมือนผู้ชายับนะนี่เป็นผู้ชายที่ผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาบนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดคอๆกันทําไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่ว่ามีอยู่มีอยู่นั่นเวลานี้สติสิทธิ์ของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติ ท, ที่ยืนยันธรรมว่ามีอยู่นั้นคืออะไรก็คือใจใจกับธรรมเป็นเรื่องกันแล้วถามที่ไหน ถามอะไรนี่ลักษณะสันติโกรู้เองรู้อยู่จำพอใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทาขนาด น, นั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจุบันยวิทย์บูริยูนท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดทําขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น <c oughs> เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับสิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สนนั่สงสอนนี้ครูพระเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันพิติโกและปัจจาร เ, เวทตบโบูรินยูหินิโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมดนี่ะเราทแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับ ส่ทนที่จะรู้จะเห็นกับทำคันนั้นๆได้เช่นเดียวก็เขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานีนั้นๆแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมยัยจุฬาฯนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูจะืตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องน้องๆ น, น, นี่ตะก่อนถูกวิสัยเดี๋ยวนี้มันถูกวิสัยไหมพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะเชื่อจะก่อนเรื่องเรื่องหาะระบินอย่างนี้ตั้งแต่ เฝ้าแก่โบราณโบราณไม่ได้ช่วยแล้วว่าคนหาะได้มีเรือหาะเรือบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนําสิ่งนั้นมาประกอบแล้วผิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นไหมในเวลานี้อันนี้ก็ทําให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมใช่ไหมใครจะสงสัยทั่วโลกทุกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัย เราไม่สงสัยเป็นองเดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดนี่ขอให้ดําเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่แหละเป็นธรรมาที่สดๆร้อนๆอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราจนสุดร้อนอยู่ตร น, นี้ธรรมก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่อืมถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลําดับธรรดาคาว่ากําแพงอันหนานแน่นก็หนานแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจธรรมเองเป็นผู้ที่จะกําจัดความมืดบอดนั้น ด้วยชาติธรรมปัญญาธรรมวิดิยะธรรมขันติธรรมเป็นสมบัติพากันดาเนินลงถึตรงนี้เ้าจะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดมันเป็นอาการของธรรมไปแล้วขึนว็นาบาอาวากาศของจิตี่ยอากาศของธรรม รู้เลยชัดๆดท่านจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นนะอาการที่ออกนำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละใช่ย่างจิตเว้องวางไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่มีไม่อยู่ด้านหน้าของใครที่นี่วิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดไม้ทำไม่ไม่สุดสมมุติ ไม่สุดเอื้อมของสมุดจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้อย่างไรสมุดยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลอาจากกนกระทั่งสมุดทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเท่าไม่ถึงแต่ก่อนรับเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวงังทีนี้เอาให้สมุดกิเลสตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวงังพายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหลือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดสร้อนรเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมหมดหวังแก้กันกับคําที่ว่า มิยมผลิพานสุดเอื้อมหมดหวังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใตเละไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบังดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกําแพงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมหมดหวังใช่ไหมท่านอาจารย์ อยู่ที่ไหนจะว่าสบายจะไมสบายมันก็พูดไม่ถูกตรงนั้นแหะถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั้นจริงเนี่ยพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่เมืม่ออยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดผู้ดําเนินต้อง น, นำํำจริยาของธรรมทลายออกมาเระัจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งคำที่ว่ า, าศาสนธรรมาศาสนธรรมแปดหมื่นจีพมธรรมอาการหรือมากที่งกว่นั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้น แล้วเป็นแบบแารแผนถังเป็นทางเดินทางก้าเข้ามาสูตรทำแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าเข้ามาสูตรนี่ถึงทำนี่เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงทำมันสูตรยอดของทมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือทำแท้ที่นี่นะไม่เป็นอย่างอื่น ต้งพากันเอาหิงออกจังต้องฝืนกิเลสการฝืนแล้วอยากเข้าใจว่าทำพ่าฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่องั้นก็พอจะดําเนินอัดธรรมบําเป็นคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นค่าสุดเกินเสีย ท, ท, ทั้งๆที่กิเลสตัวเป็นตัวค่าสิดมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษทำมันเสียก้าไม่ออกตายเลยจมอพอจะดําเนินสติ ปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตพรนาทําให้เกิดอ่อนเปรียกไปหมดนั่นเห็นหมายกิเลสมันตายอีกคนอ่อน เ, เปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวไม่แต่เรื่องของกิเลสกลมมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีทำแทรกหรือนิดหนึ่งเลยนี่ให้จำเอาไว้นักปฏิบัติแล้วําพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้ได้เห็นทำตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอ น, นมานี้แล้ว คำพูดเหล่านี้จะมากังวาลอยู่ที่หัวใจท่านทั้งหลายแม่ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะแต่ไม่สําคัญในการล่วงไปในคําพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สําคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวาลขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจําปอองหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้นท่านดังบุตรยากสงสาผู้ใดเห็นทําผู้นั้นเห็นเสาโากดท่านบอกการกสถานที่เมื่ อ, อไรท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นเอ ผู้ใดปิบัติธรรมทุ่มควจะทญธรรผู้นั้นเชื่อบูชาราตถาคตเน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นราตถาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมทุ่มควจะทญธนั่นแหลเป็นผู้ที่เห็นธรรมเห็นราตถาคตในแบบมันดาจงกระชั้นเห็นเต็มองค์ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ด้วนๆเต็มที่แล้วนั่นและคือเห็นราตถาคตเต็มองค์สงสายที่ไหนนางพ่อแม่ครูอาจารย์ท่ันพูดแล้วยกมือไหว้เป็นทันทีโห้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาโท่่าาว อืเมื่อถึงขั้นความจริงกันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครแม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้า น, นี่ก็ไม่ทูลถามทงนว่างนี่เลยนะจะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกันหนี่ไงถามทำไมาถามให้ง่ทําทไมาทันว่าแหมท่านพูดอย่างแบบอุทานนะคือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างจริงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะวาเวลาท่านแสดงออกก็แสดงออกมาอย่างเต็มแม็ดเต็มหน่วยอย่างอาถรรพ์ ไม่มีสะทกสถานนั่นแหละสิ่งในพระธรรมถ้าลงได้ปัจจัยในหัวใจแล้วจะทุกสถานที่ไหนเอาที่ทํามาเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุทกองคนี่นะ่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่ง ม, มันเหยองเอาตรงนั้นอันนั้นคือกิเลสมันขี้เกียดตัวขี้เกียดคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอก็คือกิเลดเอาลงไปทําไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทําไม่ได้อ่อนแอมรรคผลิพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาคนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทํากิจใจให้อ่อนแอ กิใจจะให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสาคัญนะไม่อย่างั้นจะกล้าไม่ออกจะถูกกิเลสเยียบอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก่อนมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนานตายแล้วนะั่นมันเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมมาสิเดินจงกรงไปเดินนั่งจงมัี่ก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาแล้ะมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้วอสิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเยียบคออยู่นั่นรู้หไหมนะ ถึงที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมพราะน้าของมันนี่แหะที่ว่ากิเลสมันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นภยัยมันเป็นภยัยตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ํำทาลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมผมที่สุดเพลีกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกฐานนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิได้อยู่ตามากาองมันโดยไม่เห็นโทษเห็น ไพ่อะไรของมันนี่เพราะว่าเพลงมันแหลมคมมากเพลงมันละเอียดป่อนมากค่อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพลงใดออกมาสัดโลกติดทั้งนั้นถ้าเพลงของทํายังไม่แทรกเข้าไปจะติดติดติดตดินี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไป มันจค่เปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมโลกิเดีย ร, รถของธรรมโลก่เดียเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับจนไม่ต้องถึงพุ่งทะลุไปหมดเฮตใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภายัยเราเกิดเ จ, จะตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรพายใต้ตายตัวพิตัวภยัยตัวมหาภายัยนี่แหละมีเท่านั้นนั่นธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดภาตาอีกไหม เมื่อถึงธรรมชาติแล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของมันสงสัยถามอะไรนั่นนี่นั่นสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยมันพากันเอาให้จริงจังเลยการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิดดูกำลังมาตั้งกับตั้งการเมตตากิเดชเป็นเจ้าของกิเดชเอาไป็นของกิรรรรเดชไปเหยียบย่ำทําลายมันเป็นความ อ, อัศจรรย์ที่ไหนจิตเดชนะแล้วเวลาเหยียบย่ำทำนายจิตใจเราเอาเอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหน เพราะดำเนินทําให้ทําได้ของใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดิมแับจนกระทั่งถึงความละเอียดของจิตปัญญาศรัทธาความเพียรใจขั้วงตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเช่นครูอาจารย์โดยลําดับหนักเงี่ยที่ท่านว่าเอาความความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในในธรรมทั้งหลาย มันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทําไมทั้งสองอย่างนี้หมุนกันแล้วจะมันหนีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเธอตายก็ตายแต่ขอให้ปลุกพ้นอย่างเดียวเท่า น, านั้นนานนี่หลักกําลังของทมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกาลังของกิลกเลสเวลาของกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาความเพลยรอะไรๆเอ๊ยอ แ, แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่กล้างมีแต่กระดูกเราไม่รู้มันติดคอแล้วคุณจะรู้ ติดคอแล้วมันสายไปแล้วคืนึงไปแล้วตะขวงอยู่ในท้องอยู่มันก็ยิ่งสายดีขวายแต่จะตายเท่านั้นนั่นแหละที่เห็นมันขวางกวนขวางอย่างนั้นแล้ไม่เห็นสิข้าวมีแต่กากเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นเราเข้าใจว่าข้าวอเนกอร่อยดีนะั้นใส่ข้าวข้าวลงไปโอ้ยปวดเรียดเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปียบเทียบนี้นะ คือความละเอียดแ้ลมผมของยีเรศนี้แม่ละเอียดจริงๆไม่ทําเท่านั้นที่จะฟัดเหี่ยงกันนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากให้มันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟัดเหี่ยงกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตันหนีติดเตียนยีเรศกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรนี่นี่ทันยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อเพื่อสมมูิ ที่พูดอยู่แนวสมมติพูดจะแก้สมมติที่เลยกกับทำจริงเป็นสมมุติต่อตามๆกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดแล้วเรียกว่าสันที่ติโกนี้อันแท้กอีงนั้นพูดไม่ได้น่ะนั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มีเอ อ, อะไรว่าจะควรตําหนิอะไรที่จะควรชมพอตั้งสองอย่างนี้เป็นสมมุติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไมาแข่งหมดแล้ว ตาก็ดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูภายในใหูก็ฟังจากภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมันก็เป็นตากีเลร่หูกี้เหร่จมูกขี้เหร่ไปหมดมองไปมีแต่กิเลสมันเดินโอ้โหยหลังไหลออ ก, ท า, ท, า ท, าก ท, าทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจถ้าเป็นคนจนหาทางหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนสายไหนไมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะอืมไม่เพียงจะเป็นแถวแออัด ออกทางตาก็แอ อ, อ, อัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทางนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ท า, น i, ทางเนี้ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสดุกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสท้องเอาทําให้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมแล้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมสิ่งลิ้นรถอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันทันกันทันกันแก้กันปลดเครื่องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลําดับฐานที่นี่ทําเดินน่ะ ตาหูจมุนเลี้ยงกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงจิดกลายเป็นทางเดินของของธรรมท้งที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้ทงแทง่งธรรมทั้ทงดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้ทงแทง่งอันเดียวกันทั้งหมดปัญหาพากันปัญนใจเพปฏิบัติการอยู่ด้กันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนาะเคยพูดแล้วนะนการพราพ่าจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ ให้เรานอนใจอันไดนที่ที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจฝาบเป็นฝากตาได้ให้รีบเขี่ยนในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญน เ, นเราจะไปสงสัยครับอะไรอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทํานองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กองทุกไปกองทุกยืนเดินนั่งนอนกับกองทุกว่เราของพิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดนี่มันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นเนาะจากที่เดดมันจับคัยเาออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้น่ะ 好了，不烦等你了。